วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้สาธุชนพุทธบริษัทให้ปล่อยว่างภารกิจการงานทางโลกคือการทำมาหากินเลี้ยงชีพหาเงินหาทองหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อให้มาทำหน้าที่ ทำงานที่สำคัญถ้าต้องการที่จะให้พบชาติการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปจาเป็นที่จะต้องมาตัดพบตัดชาติกันในวันพระเพราะว่าเป็นวันที่เหมาะกับต่อการปฏิบัติในการลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไป ด้วยการปฏิบัติทำที่เป็นเครื่องมือในการที่จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปได้เหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายแล้วหลังจากที่ตายไป เราก็จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีการตัดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันนั่นเองเหตุที่พาให้พวกเราต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคือตัณหาความอยากต่างๆเช่นความอยากหาความสุข จากรูปเสียงกิจลดผพัชชนิดต่างๆเรียกว่าการมัตัญหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัญหาอยากน่่าอยากรวยอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญแล้วก็วิภาวะตัญหาความอยากไม่เป็นคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้เป็นผู้ที่พาให้เรา ต้องมาเวียนไหว้าตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้ภพชาติของการเวียนไหว้าตายเกิดของเราลดน้อยถอยลงไปและหมดสิ้นไปเราจําเป็นที่จะต้องมาทําลายกําจัดเหตุที่พาให้เรามาเวียนไหว้าตายเกิดกัน เหตุนั่นก็คือความอยากต่างๆนี่น่นสิ่งที่จะสามารถทําลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็คือการปฏิบัติทำสามข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าสีนข้อที่สองเรียกว่าสมาธิข้อที่สามเรียกว่าปัญญานี่คือเครื่องมือ ที่จะต้องมีในการตัดภพตัดชาติให้หมดสิ้นไปและวันที่เหมาะแก่การตัดภพตัดชาติที่สุดก็คือวันพระวันที่พวกเราหยุดการทางานคือวันพระนี้ความหมายมันมีความหมายที่แท้จริงก็คือเป็นวันหยุดการทางานทางโลก หยุดการทำมาหากินหาเงินหาทองต่างๆเพื่อที่จะได้มาทำงานทางธรรมมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆแต่สมัยนี้วันพระ ซึ่งนับโดยปฏิทินทางจันทรคติคือตามวันแรมขึ้นแรมต่างๆมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของสาธุชนพุทธบายสัตยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี้เราจะหยุดทำงานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์กันแต่ทางศาสนา ยังนับวันพระวันหยุดทำงานตามปฏิทินจันทรคติซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะไม่อยู่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไปตลอดพอดีช่วงนี้วันพระมาตรงกับวันเสาร์แล้วข่าวหน้าก็จะมาตรงกับวันอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์เป็นวันอังคารไปเรื่อยๆ เพราะปฏิทินนี้เขาวันพระนี้จะมีการเลื่อนไปเรื่อยๆจึงทําให้วันพรานี้จะไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ไปตลอดพอ อ, อีกสักสองสามทิตย์วันพระก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์พอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ญาติโยมก็ต้องไปทํางานทําการ ก็จะไม่สามารถที่จะหยุดทำงานเพื่อมาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ดังนั้นเพื่อเพื่อการรักษาวันพระให้มีอยู่ทุกกะทิดสำหรับญาติโยมที่มีวันหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ควรที่จะเปลี่ยนวันพระของญาติโยมนั้นมาให้ตรงกับวันหยุดทำงาน คือหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อย่าไปถือตามปฏิทินของทางศาสนาที่จะมีการเปลี่ยนวันไปเรื่อยๆวันคราวนี้ตรงกับวันเสาร์คราวต่อไปก็จะตรงกับวันอาทิตย์แล้วต่อไปก็จะตรงกับวันจันทร์วันอังคารไปเรื่อยๆถ้าถือปฏิทินทางศาสนา ก็จะไม่มีวันหยุดไม่มีวันพระทุกอาทิตย์นั่นเองเพราะว่าต้องไปทำงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าอยากจะมีวันพระทุกอาทิตย์มีวันที่เราจะมาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้ตรงกับวันหยุดของเราถ้าเราหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เราก็เลือกวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันหยุดทำงานหาเงินหาทองหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะได้เอาเวลาที่หยุดนี้มาให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าเราสามารถยึดหลักนี้ได้เราก็จะมีวันพร้าทุกาทิต์ เหมือนกับในสมัยโบราณสมัยก่อนนี้วันหยุดทำงานของชาวพุทธเหล่านี้จะตรงกับวันพระเ<ม>พราะทางสมัยก่อนเราไม่ได้มีการติดต่อกับทางโลกภายนอกเราก็สามารถที่จะมีวันพระเป็นวันหยุดทำงานได้แต่พอเราไปติดต่อกับโลกภายนอกมีการทำการค้าขายต่างๆ ซึ่งโลกภายนอกเขาจะใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทํางานก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทํางานให้ไปให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยทําให้วันพระนี้จะไม่ได้มีทุกทุกอทิตย์เพราะว่าบางพอวันพระไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เราก็หยุดทํางานไม่ได้พอวันพระไปตรงกับวันจันทร์วันอังคาร เราก็ต้องไปทำงานเราก็จะสูญเสียวันพระไปสูญเสียวันที่สาคัญที่เราจะามาใช้กับการตัดพบตัดชาติให้ลดน้อยลงไปตามลำดับนั่นเองเาการจะตัดพบตัดชาติได้นี้ต้องตัดที่ความอยากต่างๆและการที่จะตัดความอยากหยุดความอยากได้ก็ต้องมีเครื่องมือ Mm hmm. เครื่องมือที่จะตัดความอยากต่างๆได้ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นเอง mm hmm. ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เช่นศีลนี่ก็ต้องเป็นศีลศีลแปดขึ้นไปถ้าอยากจะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปเราต้องมาถือศีลแปดขึ้นไปกันศีลแปดศีลสิบ ศีลสองรอยี่สิบเจ็ดนี่อันนี้เป็นศีลเพื่อมิใช้ในการตัดพบตัดชาติให้น้อยลงไปเพราะศีลแปดนี้จะห้ามห้ามความอยากต่างๆนั่นเองอห้ามความอยากที่จะไปทำบาป ค, คือการฆ <c oughs> ่าสัตว์รักทรัพย์การพูดปดการดื่มของมึนเมาต่างๆ ถ้าถือศีลแปดก็จะไม่สามารถทำทาบาปทั้งสี่ข้อนี้ได้แล้วอีกสี่ข้อก็คือการห้ามไม่ให้ไปทำตามความอยากทางหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับใคร mm. ให้ถือศีลพรหมจรรย์ห้ามไม่ให้หาความสุข จากการรับประทานอาหารตามความอยาก<ม>ให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้โดยที่ไม่ให้รับประทานมากเกินไปมีเวลาจํากัดคือไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว<ม>แล้วก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจาก ม, มหัศรศบันเทิงต่าง ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆห้ามไม่ให้สวางหาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภารรที่วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสมอางน้ำมันน้ำหอมต่างๆแล้วก็ห้ามไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป ให้ดับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอไม่ให้นอนมากไปกว่านั้นวิธีไม่ให้นอนมากไปกว่านั้นก็นอนบนที่นอนที่ไม่สบายจนเกินไปคือไม่นอนบนที่นอนที่มีฟูกเน้หนาเป็นต้นให้นอนกับที่นอนที่เป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูหรือปูด้วยเสื่อก็พอถ้านอนในที่นอนที่แข็งๆ เวลาที่ร่างกายได้หลับนอนสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะลุกขึ้นมาเตินขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนมันฟูกหนาๆนะพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อเพราะว่าเป็นฟูกหนาานะเป็นฟูกที่นุ่มที่สบายก็จะนอนเพิ่มไปอีกสองสามสี่ชั่วโมงด้วยกัน ทำให้สูญเสียเวลาที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อกาจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไป mm hmm. หน้าที่ของศีลนี่ก็เป็นเหมือนกับ mm hmm. เป็นเหมือนกับรัว้วเป็นเหมือนกับข้อข้อที่เราจับสัตว์ไปขังไว้ mm hmm. ถ้าเราไม่ต้องการให้สัตว์ออกไปเพ่นพ่านตามสถานที่ต่างๆ เราก็ต้องจับสัตว์นี้ไปขังไว้ในอคอกในกรงศินนี้ก็เป็นเหมือนอคอกเหมือนกรงที่จะจับความอยากไม่ให้ออกไปแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายต่างๆนั่นเองเอ็นถือศินแปดก็จะถูกห้ามไม่ให้ไปหาความสุขต่างๆตามสิกขาบทที่มีอยู่ในศินแปด แมห่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับใครไม่ให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มมากจนเกินไปห้ามไม่ให้หาความสุขจากการดูมหัศรรย บ, บันเทิงความเสริมสวยความงามของร่างกายและห้ามไม่ให้หลับนอนมากเกินไปอันนี้ก็เป็นเหมือนคอกที่จะจับขังตัวความอยากไว้ ไม่ให้ออกไปทําตามความอยากได้ก็จะช่วยลดกำลังของความอยากให้น้อยลงไปความอยากกำลังของความอยากลดน้อยลงไปจำนวนของภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิด<ม>ก็จะลดน้อยลงไปตามกำลังของการห้ามความอยากต่างๆ<ม><ม> การมีรู้ด้วยศีลนี้ยังไม่สามารถกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปได้ถ้า mm. อยากจะกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจนอกจากการรักษาศีลแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติอีกสองขั้นด้วยกัน mm. ขั้นที่สองก็คือการทำสมาธิ mm. การทำใจให้หยุดนิ่ง mm. แล้วขั้นที่สามก็คือการใช้ปัญญาสอนใจ ให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าจะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบสิ้นนี่เป็นขั้นตอนของการที่เราจะมากำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อย เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการพัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งที่เรารักเจอกับสิ่งหรือบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบมันจะทำให้ใจเศร้าทาให้ใจทุกข์น้ำตาที่เราได้หลั่งกันมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ พระบุรเจ้าบอกว่าถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วน้ำตาของเราที่หลังไปนี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือปริมาณของความทุกข์ที่เกิดจากภพชาติต่างๆที่เรามาเกิดมาแกมาเจ็บกันตายอยู่เรื่อยๆเราจะมาหาเราจะมาพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆตราบใดถ้าเราไม่เห็นโทษของความอยาก ราบใดถ้าเราไม่พยายามที่จะกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจ<ม>ความอยากนี้ก็จะพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี้ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยากนั่นเองเราต้องมีร่างกายเราถึงจะไปหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพฎภาชนิดต่างๆ เราต้องมีร่างกายเมื่อร่างกายเก่าหรือร่างกายอันนี้ตายไปใจที่มีความอยากก็ยังจะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถกาจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้ด้วยการปฏิบัต ศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่มีความอยากก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่ต่อไปใจที่ไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่นี้เราเรียกว่าใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ใจที่จะอยู่ในนิพพานไปตลอดนิพพานก็คือในที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือวันพระเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันตัดภพตัดชาติก็ได้เป็นวันที่เราจะมากำจัดความอยากต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นตอนที่หนึ่งก็ล้อมค้อกความอยากไว้ก่อนเพราะเป็นการกระทำที่ง่ายกว่าการที่จะไปเอาความอยากมามัดไว้กับเสาเพื่อไม่ให้มัน เดินไม่ให้มันให้มันอยู่เฉยๆแล้วหลังจากนั้นถึงจะใช้ปัญญาที่เป็นเหมือนนี้ที่จะมาฆ่าหรือมาทำลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรเราจรึงต้องมีวันพระให้กับการตัดทบตัดชาตินั่นเองเพราะการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถึงจะได้ผลถึงจะเกิดผลขึ้นมาแล้วต้องทาไปพร้อมๆกันคือทาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นพร้อมๆกันไปขั้นที่หนึ่งก็มารักษาศีลแปดกันเช่นวันนี้เป็นวันพระญาติโยมบางท่านก็จะไปอยู่ตามวัดต่างๆไปถือศีลศีลแปดกันไปล้อมข้อความอยากไว้ไม่ให้มันไปทำอะไรตามที่มันเคยทำอยู่เรื่อยๆ พการปล่อยให้ทาตามความอยากนี้จะทำให้ความอยากนี้มีมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นและมันจะเป็นตัวที่จะพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้เราต้องล้อมค อ, อกมันไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้มาจับมันมัดไว้กับเสาได้อีกทีหนึ่งถ้าไม่มีการล้อมค อ, อกจะไปตามจับความอยากนี้มันยากเพราะมันจะไปได้ทั่วทุกทุกแห่งทุกคน แต่พมีการล้อมคอกด้วยศีลมันก็จะอยู่อยู่ภายในใจมันจะไม่สามารถออกมาทางกายทางวาจาได้มันไม่สามารถพาให้น่างกายไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้มันก็จะสามารถอยู่กับที่ได้เช่นไปอยู่กับวัดได้ถ้าไม่มีศีลก็จะทนอยู่กับวัดไม่ได้ แล้วพออยากจะดูหนังก็อยู่อยู่วัดไม่ได้เพราะที่วัดไม่มีการให้ดูหนังฟังเพลงพออยากจะกินข้าวเย็นขึ้นมาก็จะอยู่วัดไม่ได้ถ้าปล่อยให้ถ้าไม่มีศีลก็ปล่อยให้ก็ไปได้จะไปไหนก็ไปได้ถ้ามันไปไหนไปมาไหนได้ก็เหมือนกับการไปตามตามจับสัตว์เลี้ยงที่เราปล่อยที่ไม่เราไม่ได้ขังไว้ในคอก เวลาปล่อยสัตว์เลี้ยงป อ, อกไปมันก็ไปเพ่นพ่านตามที่ต่างๆกว่าจะไปหามันเจอแล้วกว่าจะจับมันได้ก็ลำบาก<ม>แต่ถ้าเราจับมันขังไว้ในคอกขังไว้ในกรงพอเราอยากจะให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆให้ผูกเอาเชือกมาผูกมันไว้กับกับเสากับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไหวให้มันอยู่เฉยๆ<ม>การทำสมาธินี่ก็เป็น เหมือนการหยุดความอยากต่างๆให้อยู่เฉยๆชั่วคราวเ mm. บื้องต้นเราก็ต้องมีศีลจับความอยากขังไว้ในคอกในกรงก่อน mm. แล้วพอมันอยู่ในคอกในกรงเราต้องการให้มันอยู่เฉยๆไม่ทํางานเพราะการทํางานของความอยากมันจะทําให้เราสร้างภพชาติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ mm. ถ้าเราต้องการตัดภพตัดชาติให้น้อยลง mm. เราก็ต้องพยายามหยุดความอยาก ให้บ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้การที่จะหยุดความอยากได้ก็คือการฝึกสตินั่งสมาธินิ่งทาใจให้นิ่งให้สงบเวลาทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วความอยากก็จะหยุดทํางานชั่วคราวแล้วพอความอยากหยุดทํางานชั่วคราวเราก็จะพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ใจคือใจที่นิ่งที่สงบที่ปราศจากความอยาก ที่มีความสุขยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่เคยได้เสพได้สัมผัสมาก่อนอการทําสมาธินี้จะทําให้เราเห็นโทษของของการทําตามความอยากของการปล่อยให้ความอยากทําอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วจะเห็นคุณของการยุติหรือหยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้แล้วใจจะเบาใจจะเย็นใจจะสบายมีความสุข เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะร้อนใจจะดิ้นรนใจจะวุ่นวายจะเห็นชัดเลยระหว่างเวลาที่มีความอยากทำงานกับเวลาที่ความอยากหยุดทำงานนี้จะเป็นเหมือนโลกคนละโลกกันเลยเวลามีความอยากทำงานนี้ใจจะร้อนใจจะเครียดใจจะวุ่นวายแต่เวลาที่หยุด การทําความอยากหยุดความอยากไม่ให้ทำไรายได้ให้อยู่เฉยๆได้ใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสงบใจจะสบายใจจะมีความสุขมาก น, นี่คือขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนการหยุดความอยากด้วยกําลังของสมาธิแต่เป็นการหยุดความอยากได้แบบชั่วคราวเพราะเราไม่สามารถทําให้สมาธินิยงยืนถาวรไปตลอดได้ สมาธินี้เป็นเป็นสภาพชั่วคราวที่เราใช้กำลังของสติคอยควบคุมคอยบังคับไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเราควบคุมได้ชั่วขณะชั่วระยะหนึ่งความอยากความคิดก็จะหยุดทํางานความอยากก็จะหายไปความนิ่งของใจก็จะเกิดขึ้นมาแต่จะนิ่งได้ไม่นาน พ อ, อกำลังของสติที่กำกับควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆนั้นหมดกำลังลงความคิดก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมามาอีกวิธีที่จะทำต่อไปที่จะทาให้ความอยากนี้หมดไปอย่างถาวรหลังจากที่เราได้หยุดความอยากด้วยกำลังของสมาธิแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือ เพราะปัญญานี้จะสามารถกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการเช่นสิ่งความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขจากราบยศสรเสริญความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสโอสถภาชนิดต่างๆนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอ น, นิจจัง เป็นความสุขที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันถาวรอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเรียกว่าเป็นอนัตตาเ ป, นนเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเราไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได้ ความสุขต่างๆที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปเพราะจะต้องมีการสูญสูญไปหรือมีการพัดภาคจากกันไปนั่นเองไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่วันวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องมีวันจากกันไปเราไม่ได้สามารถที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราหามาให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรพอเวลาเกิดการ สูญเสียเกิดการพลาดพาดจากกันเวลานั้นก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานั่นเองนี่คือปัญญาสอนให้เราเห็นว่าของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราอยากจะได้กันอยากจะหามาเพื่อให้ความสุขกับเรานี้ในที่สุดมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอด มันมีการเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็มีการเสื่อมไปได้มีการเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีการดับไปได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราเห็นการไม่ความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ให้ความสุขกับเราเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจ <Yeah. S 1> ถ้าเรา สามารถสอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราแสวงหามาให้ความสุขกับเราเช่นหาเงินหาทองมาให้ความสุขกับเราหายศหาตำแหน่งหาคำสรรเสริญเยินยอหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆที่เราหามาได้มันก็จะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปรื้จากเราไป หรือไม่ไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปเพราะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดการพัดผ่าจากกันขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ใจอันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าอย่าไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเลยมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วกราวอ น, นิจจ์ทุกข์ก็มันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราไม่สามารถ สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนั่นเองพอเราเห็นอนะนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปนี่คือการกำจัดความอยากด้วยปัญญาแต่เบื้องต้นเราต้องกำจัดต้องหยุดความอยากด้วยสมาธิก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิหยุดความอยากถึงแม้เราจะมีปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เราก็จะไม่สามารถห้ามความอยากได้ พราใจเราไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความอยากแต่ถ้าเรามีสมาธินี่เรามีกำใจเรามีกําลังที่จะหยุดความอยากได้เพียงแต่ว่าหยุดได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ก็พอเพียงต่อการที่จะสนับสนุนปัญญาได้เวลาปัญญาบอกว่าอย่าทําตามความอยากนะอย่าไปอยากได้อะไรนะเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่เที่ยงนะ อรู้ท่นี้ก็หยุดได้ ท, ทันทีไม่ทําตามเออพอไม่ทําตามความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ก็จะค่อยๆหมดไปทุกครั้งที่มีความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปอยากได้อะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวทุกข้อ็เราไม่สามารถสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนั่นเองมันเป็นอนาัตตาถ้าเราถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะสามารถ หยุดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้พอความอยากต่างๆได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาแล้วจิตก็จะไม่มีวันที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้จิตไปเกิดแก่เจ็บตายนั้นได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาอย่างทาวรด้วยการสนับสนุนของสมาธิด้วยการสนับสนุนของศีลในการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยทั้งสาสามส่วนด้วยกัน เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ก่อนที่เรายังไม่มีสมาธิและการที่เราจะเจริญสมาธิได้เราจะต้องมีศีลก่อนเพราะถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการฝึกสมาธิเราก็จะไปกินไปเที่ยวกันวันนี้เช่น ว, วันนี้แทนที่จะมาวัดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีล ถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วก็ไปเที่ยวได้ไปกินไปดื่มได้ไปดูไปฟังอะไรได้เหมือนคนที่เขาไม่รักษาศีลรมกันเขาก็จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบได้เมื่อใจเขาไม่นิ่งไม่สงบถึงแม้เขาจะศึกษาทางปัญญาว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนาัตาเขาก็ไม่สามารถที่จะห้ามใจไม่ให้ไปอยากได้เพราะว่าเขาไม่มีกําลัง ไม่มีสมาธิเป็นกำลังสู้กับความยากนั่นเองดังนั้นเราต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าขั้นแรกขั้นแรกเราต้องเริ่มต้นที่ศีลก่อนเรามีศีลหรื อ, อยังเรารักษาศีลแปดได้หรื อ, อยังเมื่อเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลามาฝึกสมาธิได้เราฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งได้พอเรามีสมาธิแล้วเราก็ไปสอนใจให้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เป็นทุกข์อยาาไปอยากได้มันได้มาแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปในที่สุดพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วการเกิดแก่เจ็บตายการมีไม้าตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือขั้นตอนที่พรูเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาและนำาอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราชาวพุทธถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ เพราะว่าเวลาเรามาเกิดนี่เราจะมาเจอกับความทุกข์ต่างๆแต่พอเราไม่มาเกิดปั๊บความทุกข์ต่างๆที่ตามมากับการเกิดก็จะไม่มีต่อไปนี่คือเรื่องของวันพระที่เป็นวันวั น, วนตัดภพตัดชาติที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตามที่ได้กำหนดไว้ว่าเราจะมีการแสดงธรรม สามสิบนาทีแรกแล้วก็อีกสามสิบนาทีต่อมานี้เราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาหยุดความคิดหยุดความอยากกันด้วยการนั่งสมาธิ mm hmm. การนั่งสมาธินี้เราต้องมีสติเป็นผู้กากับใจถ้าเราไม่มีสติคอยกากับใจให้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. ถ้าเราไม่มีคำฐานผูกใจไว้ด้วยสติใจเราจะลอยไปกับความคิดต่างๆพอใจเราลอยไปความคิดความอยากมันก็จะนิ่นมันก็จะปรากฏขึ้นมามันจะทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายถ้าเราอยากจะให้ใจสงบอยากจะให้ใจนิ่งอยากจะให้ความอยากหยุดทำงานเราก็ต้องมาหยุดที่ความคิดกันอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราวิธีที่หยุดความคิดเราก็ต้องมีอะไร ผูกใจเอาไว้มีสติกากับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็คือการใช้พุทธานุสติเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี่เป็นพุทธานุสติบางท่านเวลานั่งสมาธิอาจจะดูลมใช้ลมเป็นอารมณ์ผูกมัดใจ ก็เรียกว่าอาณาปานะสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการกากับใจให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกนี่คือวิธีนั่งสมาธิเราต้องมีการกากับใจผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานถ้าไม่มีการกากับใจผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานใจจะนั่งแล้วไม่จะไม่นิ่งนั่งไปกี่ชั่วโมงใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปได้อยู่เรื่อยๆนั่งไปแล้วก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา ถ้าอยากจะนั่งแล้วให้เกิดผลนี้เราต้องมีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานซึ่งมีหลากหลายชนิดด้วยกันนอกจากพุโทโธแล้วนอกจากการดูลมแล้วบางท่านก็อาจจะใช้การสวดมนต์ก่อนก็ได้เพราะเวลาเริ่มต้นใหม่ๆใจยังอาจจะคิดมากพุ่งมากดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนหรือบางท่านก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอย่างที่นี่ เราแสดงธรรมไว้ก่อน30นาทีเป็นการกล่อมใจไปในตัวใจเราอาจจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนที่เรามาเริ่มเริ่มฟังเทศกันใหม่ๆแต่พอเราได้ฟังเทศอย่างต่อเนื่องความคิดต่างๆที่ทำให้ใจเราฟุ้งซ่านก็หายไปได้ทำให้ใจเราเบาลงเย็นลงสามารถที่จะนั่งสมาธิดูลมต่อไปได้ดังั้นการนั่งสมาธิจึงมีหลากหลายวิธีด้วยกันมีใช้กรรมฐานหลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละคนนี้ก็อาจจะเลือกชนิดต่างๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องพุทโทเหมือนกันต้องดูลมเหมือนกันต้องยุบหนอพองหนอเหมือนกันต้องสวดมนต์เหมือนกันไม่จำเป็นแล้วแต่ละคนที่จะสามารถใช้กรรมฐานชนิดไหนากากับใจผูกใจไม่ให้ไปคิดได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน และในขณะที่นั่งเวลามีอะไรปรากฏเข้ามาก็อย่าไปสนใจอาจจะมีเสียงเข้ามาอาจจะมีภาพเข้ามาอาจจะมีแสงมีสีเข้ามาอาจจะมีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เข้ามาก็อย่าไปสนใจให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้เรื่องที่มาปรากฏให้รู้ เพราะมันจะทำให้เราไม่สามารถจะทำให้ใจนิ่งได้นั่นเองถ้าอยากจะให้ให้ใจนิง่งให้ใจสงบให้หยุดความอยากทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาก็ต้องผูกใจอยู่กับกรรมฐานไปตลอดอ น, นี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่มาแสดงให้ท่านได้ฟังโดยสังเขตและต่อไปนี้เราก็จะนั่งกันไปจนกว่าจะหมดเวลา อตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งไว้คราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็จะได้ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยแต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากมันไม่ทำให้สงบวิธีที่ทำให้สงบก็คือวิธีนั่งที่ถูกต้องที่เราได้ในวันนี้ ถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรเดินจรญสติให้บ่อยๆในระหว่างวันเวลาไหนเราสามารถจสเจริญได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ก็พุทโธไปแล้วต่อไปสติเราจะมีมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไป น, นี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาไรวะหาปูราปาริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิเอชิตังปฏทิตังสุมหังคิดเปเมวะสวิจโตสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาฬโสยะถามณิโชติ อราโสยทาสัพพิติโยวิวัชันตตสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาทานศิลิศานิจังอุทธะปจายโนจตารโธรรมวาทานเตอายุวันโสุขัง ลช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ทาง f a c e b o o สาม8้อยส u b e ิบแปดพระสุชาติตไลฟ์สามรอยี่สิบหกยูทูบด็อร V ว8สี่สบแปดวิทยุออนไลน์เก้าคลับเฮ์เจ็ดหน้ากุติสองร้อยสามสิบห้ารวมเก้าร้อยเจ็ดสิบสามค่ะอ่าให้ใจชาวต่างประเทศก่อนก็ได้เพราะคือเวลาขานเวลาขลานนั่งสมาธิเพราะมองเห็นผ้าที่ ถ้าไม่กลัวไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงครับเวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจภาพต่างๆที่เกิดขึ้นให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอ ะ, อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพหลอกภาพหลอนไม่มีความจริงอะไร 看到什么了？这些图像的时候呢，你不要去管这些，<嗯>那都是一些幻觉啊，骗人的。嗯。你就一心呢，专注在“佛陀”“佛陀二”二字上。但是，但是有时候并不清楚自己是不 是, 是特别刻意，这个要不要紧？就是说，很刻意的去关注这个，然后要么就是完全就是会被带走。如果不是特别刻意的话，就容易被带走。这样。啊。 ก็สมาธิเขาติดใจตรงเ้ามันก็บางทีมันก็หลายไปกับพาดต่างๆอมันเขาก็ประคับไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามดึงกลับมาที่พุทโธพุทโธให้ว่าท่องพุทโธพุทโธไปฝึกพุทโธไปก่อนที่จะมานั่งสมาธิแล้วเวลานั่งแล้วเกิดเวลานั่งก็อย่านั่งเฉยๆต้องอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอ่ททนนียยะ 如果这些感觉呃身体的时候，你感觉你自己被那些啊画面呢，还感觉所所吸引啊，所所推着走的时候，又要想着佛陀，佛陀立德啊，然后佛陀佛陀阿祖，感觉呢就是佛陀呢如临圣仪就在你面前，嗯，一直啊不光助到你，刻意也不要紧嘛，可以刻意这样这么做嘛，就是刻意这件事情呃有个是不是特别要紧的一件事情？ 你刻意去去去去跟那方面找是吧？对，如果不不是很刻意的话，就没有这些东西，就就没有办法做到这样。所以你问一下，就是如果我刻意去做的话，可不可以？刻意去去想说的暗示吗？还是什对是的，是的。好，这个，这这个，这个这份你你问他， 你, 你翻译就可以了，嗯。嗯 ป่าวหมายตามเราต้องอเราเขาต้องตั้งใจในพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะครับถูกต้องไว้ในนั่งสมาธิ อ, าอย่านั่งเฉยๆต้องอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าไม่อยู่กับพุทโธเเดี๋ยวมีภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาหมายตามาเราต้องอเอาใจของเราฟังไว้ในพุทโธด้วยจิตติละติละนั้นได้ไหครับใช่ก็ท่องไปในใจไงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิ ใจนี้มันก็不停地念อะ佛陀佛陀佛陀佛陀อะที่อยู่ o น d o นี้มันก็จะ l i ู่ a นใจนี้ตลอดไปอะที่อย u ่ในใจน i ้มันก e จ n อยู่ในใจนี้ตลอดไ u อะท r ่อย s ่ในใจนี้มันก็จะอยู่ในใจนี้ตลอดไป So you touched on the topic a few times. Um, I'd like to know what is the—I don't know if it's the right word—the breaking point to when there's some friction between our desire for their well-being and their resistance to change, maybe. Well, you have to understand your duty. You're there to serve them, not to tell them what to do. So you you wait for them to tell you what they want you to do for them. Don't don't tell them what you want to do for them. Mm -hmm. You're supposed to serve them, make them happy. So if they want, they don't want to take medicine, don't force them to take medicine. If they don't want to do exercise, don't force them to do exercise. Mm -hmm. If they don't want to eat t h a particular type of food, don't force them to eat them. Even though it, it might be good for them, but it's against their Their nature; they might not be used to doing things like this. So just, just, just let them tell you what to, what they want, and then you serve them what they want, as long as they don't break the precepts. I understand. Thank you. Concerning when the condition their condition worsens in terms of memory and uh, in terms of, uh, for example, balance and safety, those types of concerns become alarming when someone might slip and hit their head, or Many situations like that, or just daily, uh, maybe conversation about scheduling or appointments, that sort of thing. When when there's a bit more of a, a concern about their health, they're you have to uh, find the time when they're ready to listen mm -hmm. to to you. If they're not ready to discuss, then you cannot do anything. Mm -hmm. Mm -hmm. It's a, it's continuous. Uh, also, patience, of course, yeah, from patient, uh, from our side. You should have a, a good relationship, regardless of what, whatever you want them to do. You have to make sure that they're happy with what you want them to do. Mm -mm. If they're not happy, then you have to stop. That's right. Okay, <laughs> it's a fine line. Yeah, it seems. The the word is In... happiness. You dare to make them happy, not mm. to make them <laughs> angry, or, angry or sad or that's right. disappointed. That's right. Don't be be, be patient mm. and listen to them more than trying to Then tell talking, them what yeah. to do. Okay. Okay. Work in progress. Thank you so much. Good. You're <laughs> welcome. Okay. Go ahead. Suki uh, Hotu uh, Achan, we are come from Indonesia, Medan, and we have uh, two questions to ask from our devotees here. The first question i s if someone pass away, Achan. What is the proper way to bury them according to Buddhism? If the ash of the dead is spreading to the sea, is it a good way? Well, when a person die, you can dispose the body any way you like. It doesn't have any any any result because it's just like a like something that you throw away. So you can just do it in a way that is acceptable to the people. The normal practice. Like cremate, or you, then after you cremate, then you can put the ashes into the water, into the stream, or into the sea. It has no effect on the person who d i e s on you. What affects the person who d i e s is their good or bad karma, and we cannot do anything for them. It's up to their good or bad karma to to decide what to do with the, the spirit when they die. Okay. Okay, a c h a n The second questions: When we learn d h a m m a we understand the suffering. But while we facing the suffering, sometimes it's not easy for us to overcome the situations. When the suffering comes, sometimes we feel uh, feel the fear, grief and sadness, and not uh, good emotions. May a c h a n suggest us how to overcome and stay in the Dharma practice while the while the suffering is in front of us and always hunting a us. <coughs> You have to learn to meditate to make your mind still, make your mind calm. Once you know how to make your mind still or calm, when you face with suffering, you can just be still and be calm and not be affected by the suffering. But if you haven't yet practiced meditation, you will react with suffering. When you face something terrible, you will you will suffer because you don't know how to deal with them. The proper the proper way to deal with them is to leave them alone, to accept them by being still, by being calm. So you need to do a lot of meditation practices. Okay. Okay, Achan. Yeah. Thank you, i l a n Thank you. h uh, thank you, Achan, for the answer and uh, allow us to do the nama sara for Achan. Okay. I hope you can meditate because once you can meditate, you can. You can go through a lot of terrible things without any suffering. Okay. Right. Please go ahead. I have one question: Is it uh, in the temple here that you have any account that uh, you can give merit to that uh, is specially for? Because your your monk walk around in the morning, and you see people who have difficulties in the life. They try, they do a lot with the life, but they have difficult. So that you can have this account to help those people. Well, we generally give people food that we have left from our. You not and, have you yeah, not we, have that time. We don't have account particular account. Maybe something to thinking about. Well, this have to be consulted to, with the abbot. Yeah. But generally, the the the, the temple has the no, no special account for the poor yeah. and the needy. h yeah, the, the people who give money; they always will go to someone who really need it. Sometimes they they come to me personally, yeah. and I usually give tuition, give a scholarship to the, the children. โ okay. Okay. thank you เมีสกใร่นากถามนมสการคับอาจารย์คือตอนที่เริ่มนั่งสมาธิครับพออยากจะให้อยู่กับสติปุทโธพุทโธตลอดทีนี้พอเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่อยู่กับปุทโธก็ไปนึก พูดโทเหมือนกันแต่ว่าสปีดขึ้นเป็นแบบพุทโทรเร็วๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยอย่างงี้ถือว่ายังมาถูกทางหรือว่าควรก็ปล่อยให้ลูว่าคิดอะไรไปเลยเรื่อยๆๆอย่างนี้ดีครับ อ, อ๋ออย่าอย่าปล่อยให้คิดหาอุบายวิธีหยุดคิดให้ได้ถ้าถ้าถ้าพุดโธให้เร็วขึ้นแล้วช่วยได้ก็ทําได้หรือจะเปลี่ยนมาสวดมนต์ก่อนก็ได้เพราะบางทีพุดโธมันสั้นไปแล้วมันเบื่ออาจจะใช้บทสวดมนต์ยาว สวดไปเรื่อยๆหรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้อันนี้จะช่วยลดความฟุ้งซ่านได้พอฟังไปสักพักหรือส่วดวนไปสักพักแล้วอาการฟุ้งซ่านหายไปเราก็ค่อยกลับมาดูลมหรือกลับมาพุทโธต่อได้ดมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวจะได้เลิก Anybody would like to ask more q u e s t i o n Because we are about to to finish now, if you don't have any question, I will then call the meeting to uh, to an end. But if you want any more, want to ask any more question, you are still welcome to do so. One more, okay? Uh, concerning the practice, is it recommended to contemplate the khandas in motion as we? In our daily life, for example, similar to the order of uh, dependent origination, or individually, the Buddha said, if you want to contemplate, just contemplate on the nature of your body. Is mm. you having been born, we are subjected to aging, sickness, and death. Subjected to separation from the ones we love. Just, recite, just repeat this, this contemplation until you, you can accept them. Mm. First. Yeah, first. Okay. Before you go to other things, try to be able to to accept aging, sickness, and death, and remain calm yeah. within within that. Right. Okay. But it, normally, contemplation alone will not be enough for you to be able to accept them. You need to meditate also, More. because you need a, a a strong or calm mind in order to be able to accept the, the truth. Mm. If your if your mind is not strong or calm, your defilement is taking over your mind, and your defilement doesn't want to get old, get sick, or die. Mm -hmm. So there will be a conflict. You'll feel terrible when you think about aging, sickness, and death. Mm -hmm. But if your mind is calm, peaceful, then there will be no conflict. There will be no resistance to the truth. Mm -hmm. Thinking about it is is. One thing when I think it happens in real will be totally right. totally different. That's, that's right. But you can overcome them by do do more meditation, yes. uh, alternating with contemplation. Mm -hmm. When you're you, when you're not meditating, try to think about aging sickness and try to convince yourself that it's going to happen to you, mm -hmm. and that you're going to have to accept Deal it. a it. Yeah, accept it. And the way to accept it is to become mm -hmm. a meditation. So you have to do both, not just not just merely merely, merely contemplation. You also have to meditate to k e e p your mind to be calm and strong. Okay. Okay. Thank you. Right. Well, that's about it for today. All the time we have for today. Well, สำหรับวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วก็ขอให้ท่านจงนำบางสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัต